ผู้ปฏิบัติจึงควรทำให้เหมาะสมกับธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสชนิดต่างๆให้หลุดลอยไปจากใจเป็นพักๆคำว่าศีลสมาธิปัญญานี้เป็นธรรมที่แหลมคมยิ่งในาศาสนาที่ใช้เป็นเครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภทให้หมดสิ้นไปไม่มีกิเลสตัวใดเหนืออำนาจธรรมนี้ไปได้และธรรมทั้งสามนี้เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกันจะแยกเอาแต่ธรรมใดธรรมหนึ่งไปแก้กิเลสให้สิ้นไปโดยสิ้นเชิงย่อมไม่ได้ ต้องพร้อมองค์กันการเขียนปฏิบัติของพระธุดงรู้สึกสับสนวกเวียนทําให้ท่านภููอ่านเวียนศีรษะไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติของท่านมีหลายแขนงและรวมคําว่าปฏิบัติของพระธุดง์ไว้ด้วยจึงได้แยกออกแสดงเป็นแขนงแขนงของแต่ละท่านที่ฝึกทรมานตนเพียงการอยู่ป่าของท่านก็ยังเขียนไม่จบจําต้องพักไว้เขียนเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันไปก่อน แล้วค่อยวกมาเขียนต่ออีกจึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยที่เรื่องหนึ่งๆควรจะจบแต่ก็ยังจบไม่ได้ดังที่เรียนแล้วบัตรนี้จะเริ่มเรื่องการฝึกทรมานตนโดยวิธีต่างๆของท่านต่อไปอีกคือท่านที่ทรมานตนด้วยวิธีใดรู้สึกว่าได้กำลังใจกว่าวิธีอื่นๆท่านก็สนใจทรมานวิธีนั้นต่อไปไม่ลดละจนเป็นที่แน่ใจว่าจิตไม่แสดงอาการพยศอีก เวลาไปอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวเป็นความรู้สึกธรรมดาเหมือนสถานที่ทั่ ว, วไปแล้วท่านถึงจะหยุดการทรมานแบบนั้นและบำเพ็ญไปตามปกติธรรมดาการฝึกจิตทรมานใจถ้าฝึกได้แล้วต้องเป็นแบบนี้คืออยู่ไหนก็สบายไม่รบกวนตัวเองด้วยเรื่องต่างๆมีเรื่องกลัวเสือกลัวผีเป็นต้นแต่เมื่อทรมานได้แล้วแม้จิตไม่แสดงความกลัวเหมือนแต่ก่อนข้อตาม เมื่อเห็นว่าเป็นที่สะดวกใจเพราะสถานที่เช่นไรท่านมักจะชอบอยู่ในสถานที่นั้นเป็นปกตินิสัยตลอดไปไม่ค่อยผิดกับครั้งพุทธการที่ภาสาวกท่านชอบอยู่ตามนิสัยอะไรนะักเช่นองค์ชอบอยู่ป่าอยู่เขาท่านก็อยู่ของท่านไปเรื่อยๆจนถึงอายุไขดังพระัญญาโกนทัญญาเป็นตัวอย่างเมื่อถึงการจะนิพพานแล้วค่อยออกจากป่าจากเขามาเฝ้าพระาศาสดาและทูลลาเข้าสู่นิพพาน จนพระภิกษุหนุ่มสามเนยน้อยทั้งหลายในสำนักพระศาสดาที่ไม่เคยเห็นองค์ท่านซึ่งครองผ้าที่ย้อมด้วยดินแดงเพราะไม่มีสีกรักหรือสีแก่นขนุนจะย้อมเนื่องจากอยู่ในป่าลึกอันรกชัดพากาันสงสัยนึกว่าขรัวตาบริโภคมาจากที่ไหนจึงทูลถามพระพุทธเจ้าตามความรู้สสพของตนของตนว่าพระพุทธเจ้าข่ะขัวตาองค์นี้มาจากที่ไหนดูสีผ้าแล้ว น่ากลัวจริงแดงเหมือนกับย้อมด้วยเลือดอะไรไม่ทราบพระองค์ทรงเห็นอาการไม่ดีของพระนุ่มเนน้อยทั้งหลายที่แสดงอาการสงสัยไม่เคารพท่านจึงรับสั่งทันทีว่านี่แลคือพระอัญญากนทัญญะพี่ชายของเธอทั้งหลายซึ่งบรรลุธรรมกรใครๆทั้งหมดในบรรดาสาวกของเราทถาคตจงพากันจําพี่ชายของเธอทั้งหลายไว้แต่บัดนี้เป็นต้นไปพระัญญากนทัญญะเธอเป็นพระอรหันต์ อารานแต่ต้นศาสนาของเราตถาคตและปฏิบัติตนเป็นสามีจิกรรมตลอดมาโดยชอบอยู่ในป่าในเขาเป็นประจําวิสัยไม่ชอบพลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนบัดนี้สังขารของเธอชราภาพหมดทางเยียวยาเธอจึงออกจากป่ามาเฝ้าและลาเราตถาคตเพื่อเข้าสู่นิพพานในเมชานี้สาวกที่ชอบอยู่ป่าอยู่เขามีนิสัยดังพระัญญาโกนทยะลูกเราตถาคดนี้หายาก พวกเธอทั้งหลายจงจำไว้ว่าที่ไปจากเราตาคาคตตะกีน้นี้คือพระอัญญาโกนทัญญาซึ่งเป็นลูกหัวปีของเราตาคาคตและเป็นพี่ชายใหญ่ของเธอทั้งหลายนั่นเองมิใช่พระขัวตามาจากที่ไหนดังที่เธอทั้งหลายสงสัยกันพอพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงเหตุผลของพระอัญญาโกนทัญญะให้ฟังพระหนุ่มเนน้อยทั้งหลายเกิดความเสียใจเห็นโทษที่กล่าววาจะไม่สมควรต่อท่านต่อพระศาสดา โดยมิได้สนึกอะไรก่อนและเกิดความเลื่อมใสในองค์ท่านพระัญญาโกลธัญญามากทั้งด้วยความเสียดายที่ท่านได้จากไปเสียก่อนที่จะรู้จักเรื่องท่านได้ดีจากพระศาสดาเรื่องที่ยกมากับเรื่องพระธุดงค์ที่ท่านปฏิบัติ ด, ดาเนินตามท่านอาจารย์มันในการชอบอยู่ป่าอยู่เขาตามนิสัยนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ผิดการก็พระัญญาโกลัญญะท่านเป็น พระอาหารหันต์ทราบกันทั่วแดนพุทธศาสนิกแต่ท่านที่ดำเนินตามท่านอาจารย์มั่นเรื่อยมาจนทุกวันนี้ท่านจะเป็นพระอะไรบ้างจะมีส่วนอย่างท่านบ้างหรือมีแต่ปุถุล้วนๆผู้เขียนทราบไม่ได้จึงเรียนไว้เท่าที่ความสามารถอำนวยส่วนท่านที่ทางฝึกทรมานตนด้วยการอยู่ปาอยู่เขาและทรมานตนด้วยวิธีผ่อนอาหารท่านก็ผ่นของท่านไปเรื่อยๆ คำว่าผ่อนนั้นคือท่านฉันแต่น้อยมีได้ฉันตามความต้องการของท่านหรือด้วยอำนาจตันหาที่อาจมีแทรกขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ในบางเวลาเช่นฉันเพียง 70% บ้าง 60% บ้าง50บ้าง4 0่บ้า ง, า ง, า ง, างตามที่เห็นควรหรืออาจเพิ่มขึ้นผ่อนลงบ้างในบางโอกาสท่านพยายามผ่อนของท่านไปเรื่อย หรืออาจถือเป็นปฏิปทาคู่เคียงกันไปกับวิธีบําเพ็ญทั้งหลายเป็นเวลานานเช่นเป็นเดือนๆนหรือหลายๆเดือนก็ได้ตามแต่สะดวกในการปฏิบัติจิตตภาวนาและธาตุขันให้พอเป็นไปไม่เกิดโรคภยัยและไม่เกิดความหิวโหยอ่อนเพลียจนเกินไปท่านก็พยายามพยุงความเพียรของท่านไปจนกว่าธาตุขันจะแสดงปฏิกิริยาหรือจิตใจดีขึ้นโดยไม่ต้องฝึกทรมานวิธีนี้เข้าช่วยก็ดําเนินไปได้ ด้วยความราบเรื่นสมานเสมอท่านอาจงดการผ่อนอาหารไปก็ได้ทั้งนี้ก็แล้วแต่กรณีไม่แน่นอนตายตัวนักเท่าที่ทราบมาท่านที่เคยได้กำลังใจจากวิธีใดท่านมักจะยึดวิธีนั้นไว้ไม่ยอมปล่อยวางไปเสียอย่างเดียวแม้มีกำลังใจสูงขนาดไหนท่านก็มักจะมีลวดลายไปในทางที่เคยดำเนินมาอยู่เสมอเรากับท่านเห็นคุณและระลึกถึงวิธีนั้นอยู่เสมอด้วยความสำนึกตน ถ้าเป็นคนก็เรียกว่ารู้บุญคุณต่อผู้ที่เคยทำคุณแก่ตนถ้าเป็นธรรมก็คงระลึกถึงคุณของธรรมที่เคยให้คุณแก่ตนดังพระองค์ทรงกราบไหว้พระธรรมเป็นตัวอย่างการผ่อนอาหารฉันแต่น้อยทำให้ร่างกายทุกส่วนเบากำลังก็ลดน้อยลงไม่ทับจิตการภาวนาก็สะดวกและสงบได้เร็วกว่าธรรมดาที่ไม่ได้พักอันนี้กล่าวถึงสาหรับปลายที่ถูกกัปจริต การภาวนาในเวลาผ่อนอาหารใจไม่ค่อยมีทีได้ทีเสียเกี่ยวกับความสงบผิดกับปกติที่ไม่ได้ผ่อนซึ่งกำลังอยู่ในขั้นฝึกหัดขณะผ่อนอาหารเวลาเดินจงกรมก็สะดวกนั่งสมาธิก็สบายกลางคืนกลางวันภาวนามาักกล้ผลพอๆกันซึ่งตามปกติเดินจงกรมนั่งสมาธิในเวลากลางคืนอันเป็นเวลาที่ธาตละเอียดมักจะดีกว่ากลางวันอยู่เสมอ ส่วนผู้ชอบผ่อนอาหารก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าอดไปหลายวันความรู้สึกยิวโหยอ่อนเพลียจะมีมากส่วนจิตมักละเอียดยิ่งกว่าการผ่อนอาหารอยู่มากทางด้านสมาธิและด้านปัญญามีความคล่องแคล่วกว่ากันการอดท่านมักจะอดแต่น้อยไปหามากคือแรกก็อดเป็นการทดลองดูเพียงสองสามวันบ้างสีหวันบ้างพอเห็นว่าได้ผลทางการภาวนาดีก็ขยับขึ้นไปอีก เป็นครั้งละ 6-7 วันบ้าง89วันบ้างในระหว่างที่กําลังอดก็ภาวนาไปและสังเกตจิตและธาตุขันไปด้วยถ้าเห็นว่าทุกส่วนยังดีก็อดไปบ้างฉันบ้างสลับกันไปจนกลายเป็นอดครั้งละหลายหลา ย, หลายวันขึ้นไปเรื่อยๆคือครั้งละ 10-4-15 วันบ้าง 16, 17วันบ้างจนถึงเดือนก็มีในบางรายขณะที่กาลังอดอาหารนั้นธาธาตุรู้สึกอ่อนเพลียมาก ท่านกอฉันนมบ้างเป็นบางวันระหว่างที่อดสำหรับรายที่ถูกกับนิสัยย่อมได้ประโยชน์หลายอย่างคือความง่วงเหงาห้านอนนับแต่สองคืนล่วงไปแล้วไม่ค่อยมียิ่งหลายคืนล่วงไปเท่าไหร่ความง่วงไม่รบกวนเลยนั่งอยู่ที่ไหนกายก็ที่งตรงอยู่ตลอดเวลาเหมือนหัวต่อไม่มีอาการสะปะงงพันใดๆทั้งสิ้นสติดีไม่ค่อยเผลอ นานวันไปเท่าไรสติยิ่งดีไม่ค่อยเผลอเลยจิตคิดเรื่องอะไรขึ้นมาสติรู้ทันแทบทุกระยะหรือทุกระยะโดยไม่ได้เข้มงดวดกดขันว่าจะพยายามไม่ให้เผลอสติแต่ก็เป็นไปได้เองทั้งนี้อาจเป็นเพราะการอดอาหารก็เพื่อความเพียรและตั้งสติเรื่อยมานับแต่วันเริ่มแรกอดก็เป็นได้สติจึงไม่ค่อยเผลอในระยะแรกและไม่เผลอสติเวลาอดไปหลายวัน การภาวนารู้สึกว่าสะดวกคล่องแคล่วไปเสียทุกอย่างทั้งด้านสมาธิและปัญญาเมื่อต้องการให้จิตพักลงในสมาธิก็ลงได้ตามใจหวังเวลาต้องการพิจารณาทางปัญญาหลังจากจิตถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาอย่างคล่องแคล่วไปโดยลำดับไม่อืดอาดเนือยนายดังที่พิจารณาในเวลาปกติในอิริยาบถต่างๆมีสติอยู่กับตัวไม่ค่อยเผลอไปกับอะไรง่าย พิจารณาเรื่องราวต่างๆก็รวดเร็วทันใจและเข้าใจแจ่มแจ้งได้เร็วผิดธรรมดาร่างกายก็ไม่ค่อยขัดที่นั่นเจ็บปวดที่นี่และเบาผิดปกติจิตก็มากเห็นภายได้ง่ายไม่ค่อยฝืนความจริงและดื้อดึงนักเหมือนที่เคยเป็นผู้อยู่ในขั้นสมาธิก็อยู่ด้วยความสงบในอิริยาบทต่างๆผู้อยู่ในขั้นปัญญาก็อยู่ด้วยการไข้ครวญไตรตรองตรองเหตุตรองผล ไปตามสิ่งที่มาสัมผัสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจิตเพลินต่อการพิจารณาในธรรมทั้งหลายหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลลาราวกับฉันอาหารอยู่โดยปกติถ้ารู้สึกเมื่อยหิวอ่อนเพลียก็ต่อเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิหรือจิตพักจากการพิจารณาและเวลาออกเปลี่ยนอิริยาบถจึงจะรู้สึกต่อน น, นัเวลาจิตเข้าสมาธิและกาลังพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู่ไม่รู้สึกหิวหรืออ่อนเพลียเลย เนื่องจากจิตเพลินต่อสมาธิรปัญญาไม่สนใจกับาธาตุขันเวทนาทางกายจึงเป็นเหมือนไม่มีในเวลานั้นพอถึงวันกําหนดจะฉันระหว่างจิตขับขันเกิดทะเลาะไม่ลงรอยกันฝ่ายาธาตุขันก็ว่าอ่อนเพลียต้องการอาหารเครื่องเยียวยาพอประทังชีวิตฝ่ายจิตก็ว่าขณะอดอาหารภาวนาดีจิตใจสงบผ่องใสไม่กังวลรุ่นวายกับสิ่งใดๆพอฉันแล้วภาวนาไม่ดี อิ่มแล้วคิดถึงแต่หมอนแทนที่จะคิดถึงอัดถึงทรรมเหมือนเวลาอดจึงไม่อยากฉันเพราะเวลาฉันแล้วภาวนาให้เป็นภาคแทนที่กายมีกําลังแล้วจะดีระหว่างจิตกับขันทะเลาะ ก, กันอย่างนี้แหลเจ้าของต้องตัดสินให้อดบ้างอิ่มบ้างนั่นแลดีจิตก็ได้ประโยชน์กายก็รู้จักอดทนเสียบ้างไม่ปลนเปลื้จนเกินไปซึ่งเป็นทางของสัตว์โดยฉานมีแต่กินกับนอนการอดมากก็ทนไม่ไหวกายต้องแตก การอิ่มมากก็ขี้เกียจวิงหาแต่หมอนแทนที่จะวิ่งหาอัดหาทำเหมือนเวลาอดการอดอาหารมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้แลเวลาที่กําลังอดเป็นเวลาที่เร่งความเพียนเต็มที่ในอิริยาบดต่างๆการหลับนอนมีน้อยหลับงีบเดียวก็พอกับความต้องการของธาตุโดยไม่มีความโง้อ ง, งอีกเลยสําหรับปรายที่ถูกกับจริตทําให้เห็นทันตาทั้งด้านสมาธิและปัญญา ความหิวจัดจะมีเฉพาะสองสาวันแรกพอเลยไปหลายวันแล้วความหิวก็เบาลงแต่ความอ่อนเพลียค่อยเพิ่มขึ้นจิตก็มีความละเอียดแยบคายไปโดยลําดับตามวันที่อดดังนั้นถึงวันจะฉันจึงทําให้เสียดายอยากจะอดต่อไปแต่ธาตุขันรู้สึกเต็มทนต้องผ่อนให้เขาบ้างไม่ฉะนั้นทํางานไม่ตลอดสายธาตุขันจะทลายไปก่อนกิเลสจําต้องยิวยากันไปถ้าจะทําตามใจ กายคงไปไม่รอดแน่แต่ถ้าจะปล่อยตามร่างกายที่เขาต้องการใจก็คงไม่ได้ดื่มทำตา่างความมุ่งหมายเท่าที่ควรจะได้การอดอาหารได้ผลประจักษ์ทั้งสมาธิและปัญญาจึงทำให้ระลึกถึงพระพุทธองค์เวลาทรงทำทุกกรกิริยาไม่สวยพระกยาหารด้วยทรงมุ่งความตรัสรู้ธรรมจากการทรงอดโดยถ่ายเดียวไม่ทรงบำเพ็ญเพียรทางใจจึงไม่ทรงปรากฏผลในเวลานั้น แต่พอมาเสวยข้าวมัทุปาญาติที่นางสุชาดานำไปถวายแล้วในคืนวันนั่นเองซึ่งแม้เสวยแล้วก็ตามแต่พระอาคารทุกส่วนแห่งพระกายยังผ่องใสและเบาวิวอยู่พอทรงเจริญอาณาปณสติอันเป็นความเพียรทางใจจึงทำให้พระองค์ได้ตรัสรสู้ในราตีวันนั้นผลนทางพระกายที่เกี่ยวกับการทรงอดพระกยาหารจึงเข้าใจว่ามีส่วนช่วยทางพระทยอยู่บ้าง ไม่ทับใจจนเกินไปในเวลานั้นแม้พระองค์จะทรงตำหนิว่าการอดอาหารมิใช่ทางตรัสรู้นั้นคงไม่ได้หมายการอดเพื่อความเพียรทางใจด้วยน่าจะหมายการอดเพื่อตรัสรู้ล้วนจึงผิดทางเพราะการตรัสรุหรือบรรลุธรรมต้องหมายถึงใจเป็นสําคัญมิได้หมายถึงกายแต่อย่างใดเลยเนื่องจากกิเลสมีอยู่ที่ใจอย่างเดียวมิได้อยู่ที่กาย ส่วนกายเป็นปัจจัยเครื่องหนุนกิเลสให้กำเริบรุนแรงได้นั้นมีทางเป็นได้เช่นเวลาธาตุมีกำลังเป็นที่จะแสดงให้ใจที่อบรมมาด้วยดีแล้วรู้ทันทีว่าขันกำเริบถ้ามีกิเลสอยู่ในใจด้วยแล้วก็ต้องชุดลากกันไปใหญ่ดีไม่ดีตามไม่ทันเสียด้วยและพากันจมปลักไปเลยจนโผล่ขึ้นจากปลักในเวลาพอตัวแล้วถึงจะทราบท่าสังเกตแต่ทาไมาสังเกตก็ไม่มีทางทราบได้ตลอดไป ปอยให้กิเลสและาธาตุขันพาไปแบบถึงไหนถึงกันนั่นแหละกิเลสกับกายมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างนี้แต่ลําพังขันล้วนๆก็ไม่เป็นภัยแก่จิตใจที่บริสุทธิ์แล้วดังนั้นการอดอาหารจึงมีส่วนดีแก่จิตภาวนาอยู่ไม่น้อยในบางนิสัยท่านจึงไม่ได้ห้ามไม่ให้อดอาหารไว้โดยเด็ดขาดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการภาวนาอยู่ด้วยจะเห็นได้จากพระวินัยบางข้อที่ว่าด้วยการอดอาหารว่า ภิกษุที่อดอาหารเพื่อการอดโลกเป็นอาบัตทุกครั้งที่อดและทุกประโยคที่เคลื่อนไหวเพื่อการโ อ, อ้อวดแต่ถ้าอดเพื่อความเพียรทางใจแล้วอดเถิดเราจะถาคตอนุญาต ด, ดังนี้ทั้งนี้พระองค์อาจทรงมองเห็นสาระของการอดเพื่อความเพียรทางใจอยู่บ้างซึ่งอาจเหมาะกับจริตเป็นบางรายจึงทรงอนุญาตไม่ทรงห้ามไปเสียทีเดียวส่วนรายที่ไม่เกี่ยวกับนิสัยแม้ขืนอดก็คงไม่เกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับกรรมฐานที่ไม่ถูกกับจริตของนักภาวนาฉะนั้นจึงเป็นทำลองว่าลางเนื้อชอบลางยาเป็นไรายไปเท่าที่สังเกตดูท่านที่ถูกจริตกับการอดอาหารรู้สึกมีมากแม้ปัจจุบันนี้จึงเรียนไว้ในที่นี้บ้านพอเป็นข้อคิดเฉพาะวัดป่าบ้านตาซึ่งเป็นวัดของผู้เขียนเองยังมีพระท่านชอบอดอาหารกันบ่อยและมีมากรายด้วยกันแท้ทั้งวัดที่ถัดเปลี่ยนกันอด เสมอมานับแต่เริ่มสร้างวัดมาจนบัดนี้ทั้งแรงทั้งฝนทั้งในพรรษาและนอกพรรษาแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้อดอาหารอยู่ในวัดเช่นกันพระฝรั่งอังกฤษไม่เลือกหน้าชอบอดกันทั้งนั้นโดยท่านให้เหตุผลว่าเวลาอดอาหารแล้วภาวนาดีกว่าไม่อดจึงต้องอดบ่อยๆซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่และท่านไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดพระฝรั่งก็อดอาหารเก่งเหมือนพระไทย และอดได้ทีละหลายหลายวันจึงฉันเสียวันสองวันแล้วก็อดต่อไปอีกบางองค์อดได้ถึง1 4 1สห้าวันก็มีนับว่าท่านอดทนอยู่มากบางองค์ก็อดได้ราวเก้สิบวันท่านอดได้เช่นเดียวกับพระไทยเราท่านบอกว่าขณะอดอาหารจิตไม่ค่อยดิ่นรนกวัดแกวงบั ง, บงคับง่ายกว่าปกติที่ไม่ได้อดทั้งจิตก็สงบเย็นดีและสม่ำเสมอ ไม่วอกแวกคลอนแคลนอย่างง่ายดายจึงทำมายากอดบ่อยๆเพื่อจิตจะได้ก้าหน้าเร็วเท่าที่ควรดังนี้จึงน่าสงสารและอนุโมทนากับท่านที่กุศาข้ามน้ำข้ามทะเลมาบวชในพระพุทธศาสนามาจําศีลภาวนาด้วยความอดอยากกันดานข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยฉันทั้งจากบ้านจากเมืองจากวิดามันดาวงศาขณญาติเป็นเวลานานปีไม่ค่อยบนว่าคิดถึงบ้านคิดถึงเมือง คิดถึงหมูเพื่อนญาติวงพงพันธ์ที่เคยอยู่อาศัยใกล้ชิดสนิทสนมมาแต่ก่อนเลยนับว่าท่านบวชมาเพื่อสแสวงหาธรรมความเจริญจริงๆสมเป็นชาติที่ฉลาดมาดั้งเดิมไม่เคยแสดงความเย่อหยิ่งถือตัวให้ประกรเลยมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนทุกอาการที่น่าเลืมใส่การวางตนกับพระเนวัดท่านปฏิบัติได้ดีพระฝรั่งที่อยู่ในวัดนั้น แท้ทุกองค์ชอบอดอาหารกันโดยมิได้ชักชวนเห็นหมู่เพื่อนอดท่านก็ถามเมื่อได้ความแล้วท่านก็อดทดลองดูบ้างต่อมาเลยเห็นท่านอดกันเรื่อยเมื่อถามก็ตอบว่าภาวนาดีกว่าปกติจึงชอบอดบ่อยเรื่อยมายิ่งในพรรษาซึ่งเป็นเวลาว่างบ้างและเป็นเวลาท่านเร่งความเพียรในวัดนั้นบางวันแทบไม่มีพระออกบินฑบาตฉันกันเพราะเมื่อไม่ฉันก็ไม่จําเป็นต้องไป ต่างองต่างอดองค์ละสีห้าวันบ้างเจดแปวันบ้าง1112วันบ้างครึ่งเดือนบ้างคขอนเดือนบ้างจนออกพรรษาทางพระไทยพระเทศอดเหมือนกันและได้องค์ละหลายๆวันเหมือนกันที่วัดนั้นในพรรษาเจ็วันประชุมธรรมกัน ห, หนึ่งตลอดไปจนออกพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรทางใจให้ก้าวหน้าตามโอกาสอำนวยออกพรรษาแล้ว งานยุ่งมากเกี่ยวกับประชาชนไปหามาสู่เพื่ออัดเพื่อทำศีลทานการกุศลต่างๆซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยชาวพุทธเคยปฏิบัติกันมาแต่ปู่ย่าตายายและถือเป็นจิตใจของชาวพุทธตลอดมาจึงน่าอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะกิจประเภทนี้นอกจากเป็นกุศลผลบุญแก่ผู้บำเพ็ญแล้วยังเป็นการวางรากฐานอันดีแก่อุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตามด้วย วิธีการฝึกทรมานตนของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นมีมากและต่างๆกันไปเป็นรายการเขียนก็จะต้องแยกแยะออกเป็นแขนงตามรายที่มีวิธีฝึกอบรมต่างกันเพื่อท่านผู้อ่านด้วยความสนใจจะถือเอาประโยชน์จากวิธีการของท่านที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยและเพศไหวของตนบางท่านนับแต่เริ่มออกปฏิบัติกรรมฐานด้วยความสนใจเป็นเวลานา น, านแลมปี จิตไม่เคยแสดงความสงบลงเป็นหนึ่งให้เห็นเลยก็มีพอได้รับคำแนะนำอุบายการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆจากครูอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกื่อยกันยึดไปทำทดลองดูตามวิธีที่ตนชอบจิตได้รับความสงบเย็นเป็นลำดับและตั้งรากฐานจิตใจลงได้มั่นคงเพราะอุบายการฝึกอบรมที่ถูกกับจิตของตนก็มีดังท่านที่ทาจิตให้รวมลงได้ขณะกลัวเสีย ขณะกโัวเสียงเสือกระหึ่มที่บริเวณที่พักซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ฉะนั้นจริตกับทมเครื่องอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นกับผู้บำเพ็ญเป็นรายไปเช่นรายที่จิตผา่าผลไม่ค่อยลงครูอาจารย์หรือใครใง่ายๆอย่างนี้โดยมากรายนั้นต้องเป็นอาจารย์สุดทรมานตนเองด้วยอุบายวิธีที่เผ็ร้อนเป็นพิเศษแฝงไปด้วยรายเช่นนั้นท่านชอบเข้าไปอยู่ในที่ขับขัน อดอดอยากๆยากด้วยปัจจัยสี่อดบ้างอิ่มบ้างฝุดฝดเคืองเคืองและชอบอยู่ในสถานที่น่ากลัวมากเพื่อทรมานตนเพราะคนเราทุกเพศทุกวัยมีนิสัยชอบบังคับมาประจำกำเนิดจะปล่อยให้เจริญรุ่งเรืองเองไม่มีทางเป็นไปได้ต้องทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นช่วยบังคับเพื่อความดีทั้งหลายจะเห็นได้จากการดูดาครูเขนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติต่อเรา ย่อมีคำดูดาคูเข็นเป็นคู่เคียงกับธรรมทั้งหลายที่นำมาอบรมสั่งสอนผู้อยู่ในความปกครองเสมอไปจะมีแต่โอวาทที่ไพเราะอ่ อ, อ, อนหวานอย่างเดียวย่อมไม่เหมาะกับเหตุการณ์เสมอไปเพราะบางรายอาชอบรถเผ็ดรถเค็มบ้างการอบรมสั่งสอนจึงต้องมีทั้งดุทั้งดีสับปนกันไปพูดถึงบทดูดาคูเข็นก็ทำให้ราลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์มั่นอย่างถึงใจ ซึ่งเคยเห็นท่านดุด่าเราและพระอื่นๆในบางคราวที่ทำผิดขณะนั้นมองดูกิริยาท่าทางท่านซึ่งกำลังเคี่ยนตีล้อล้อมลูกศิษย์ผู้โง่เขาให้เป็นผู้เป็นคนด้วยการดูด่าขู่เข็นก็น่ากลัวอย่างยิ่งมองดูผู้ถูกดูด่าขู่เข็นที่กำลังกลัอย่างเต็มที่จนตัวสัน่นเหมือนลูกนกถูกฝนก็น่าสงสารมากแต่ผลที่ได้รับเป็นที่ตรึงใจไปนานนี่คือผลที่เกิดจากท่าน ผู้อื่นช่วยฝึกส่วนผลที่เกิดจากตนฝึกตนเองนั้นท่านที่เคยฝึกตนอย่างเต็มกําลังมาแล้วย่อมทราบชัดกับตัวเองเช่นท่านที่ได้รับความสงบทางจิตอย่างเต็มที่กับทางจงกรมขณะที่กําลังกลัวเสียกลัวเสียงเสือกระเขมจิตกลับเกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาในขณะนั้นอยางไม่คาดฝันว่าจะเป็นไปได้เป็นต้นด้วยเหตุนี้การฝึกทรมานตนจึงเป็นงานสําคัญที่ ผู้หวังความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลก ท, ทางธรรมจะมองข้ามไปไม่ได้ท่านผู้อ่านกรุณาทราบในบรรดาปฏิปทาที่นำมาแสดงเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระธุดงกรรมฐานทั้งฝ่ายเหตุว่ารายนั้นท่านมีนิสัยชอบฝึกอบรมตนด้วยวิธีนั้นรายนั้นท่านชอบฝึกด้วยวิธีนั้นเป็นต้นทั้งฝ่ายผลที่ได้รับจากการฝึกตนซึ่งกําลังนําลงคละเคล้ากันไปกับฝ่ายเหตุก็ดี ที่จะลงต่อไปตามระดับทั้งเหตุและผลขระเข้าคดีผู้เขียนได้พยายามเขียนตามความจริงที่ได้เห็นได้ยินมาจากอาจารย์ผู้เคยรับการอบรมกับท่านมาแล้วเป็นแต่ไม่ระบุนามท่านที่เป็นเจ้าของทั้งเหตุและผลเท่านั้นเพื่อรักษาสิ่งที่ควรสงวนในองค์ท่านไว้นอกจากจำเป็นที่อาจระบุบ้างเป็นบางรายคาว่าบางองค์หรือบางรายท่านชอบฝึกตนด้วยวิธีนั้นเป็นต้นโปรดทราบว่า เป็นการระบุนามท่านแล้วโดยปริยายคำว่าบางองค์หรือบางรายนั่นแหลคือคํายืนยันว่าท่านเป็นผู้ฝึกตนทรมานตนด้วยวิธีนั้นเช่นอดอาหารหรือเดินจงกรมแข่งเสียงเสือกระขึ้นเป็นต้นทุกๆแขนงแห่งอุบายวิธีของการฝึกทรมานท่านล้วนเป็นวิธีที่ท่านเคยได้รับผลเป็นที่แน่ใจมาแล้วจึงได้นําลงไม่ได้เขียนด้วยการสุ่มเดาทั้งที่ ไม่แน่ในผลเป็นที่ยืนยันและยอมรับกันในวงปฏิบัติที่เขียนมาแล้วก็ดีที่กำลังจะเขียนต่อไปก็ดีโปรดทราบว่าเขียนไปตามความเป็นมาของท่านโดยตรงส่วนผิดหรือถูกอาจขึ้นอยู่กับผู้เขียนซึ่งนำลงทั้งดุนขาดความไตรตรองที่เคยมีประจํานิสัยเสมอมาจึงหวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยวิธีฝึกทรมานตนของท่านจนได้มาเป็นอาจารย์สั่งสอนประชาชนพระเนนอยู่เวลานี้ รู้สึกจะเป็นการกระทำที่ผู้ไม่เคยได้พบได้เห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและไม่เคยคิดว่าการฝึกตนด้วยวิธีนั้นๆจะมีผู้กล้าทำกล้าเสี่ยงต่อชีวิตซึ่งเป็นสิ่งรักสงวนอย่างยิ่งเหนือสิ่งใดในโลกและเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในสังคมมนุษย์ปัจจุบันที่ต้องการผลมากกว่าการบารุงเหตุแต่ก็มีผู้ทาผู้กล้าเสี่ยง จนเป็นชีวิตอันตภาพที่เดนตายมาแล้วถ้าท่านรู้ทำจากวิธีนั้นนั้นก็น่าจะเรียกว่าทำเดนตายของท่านราย น, านั้นๆได้เพราะเหตุเดนตายผลก็ควรเดนตายเช่นกันเหตุกับผลเหล่านี้ไม่น่าจะมีท่านผู้ใดสนใจนำมาคิดในชีวิตที่ถือว่าเป็นของมีคุณค่ามากแม้คิดก็คงเข้ากันไม่ได้สนิทเพราะอานาจแห่งความรักในชีวิตเป็นเครื่องปิดบังคุณค่าแห่งธรรม มีในตนซึ่งยังมองไม่เห็นในขณะนั้นนอกจากท่านที่สนใจในหลักความจริงเสมอชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิตที่ปลอยให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เข้าเรื่องและร่องรออยู่เป็นประจำเท่านั้นจะนําไปไตร่ตรองและทดสอบความเป็นมาของท่านกี่ยวับความเป็นมาและเป็นอยู่ของตนเข้าสู่หลักความจริงว่ามีอะไรยิ่งย่อนกว่ากันบ้างสําหรับเราทําอย่างนี้แต่ท่านทําไมทําอย่างนั้นโดยไม่กลัว พยามมจุรา จ, จะหัวเราะเย้ยบ้างเรากับท่านมีอะไรลี้ลับและขัดความจริงแห่งธรรมต่างกันอย่างไรบ้างท่านทำไมทำได้เสียงได้และทราบว่าท่านมีความรู้เห็นต่างๆทั้งตื่นทั้งลึกทั้งเปิดเผยทั้งลี้ลับจากวิธีนั้นๆด้วยไม่นาชีวิตไปทิ้งด้วยวิธีการฝึกทรมานนั้นเปล่าๆเหตุกับผลซึ่งเป็นสมบัติของท่านยังปรากฏเป็นร่องรอยมาให้เราได้อ่านอยู่ขณะนี้ ท่านก็มีร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่รักสังวนเช่นเดียวกับเราและท่านก็เป็นคนคนหนึ่งอาจมีความรู้สึกคล้ายคลึง ก, กันกับคนทั่วๆไปแต่ทําไมท่านกล้าสละท่านสละเพื่ออะไรสิ่งที่ท่านทําแต่เราไม่เคยทําและสิ่งที่ท่านรู้แต่เรายังไม่เคยรู้ทําไมคนเหมือนกันทั้งที่สิ่งดีมีค่ามากต่างก็มีความต้องการด้วยกันทุกคนเราควรนำอุบายท่านอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะกับจริต และความสามารถไปปฏิบัติจัดการขับตนลองดูผลจะเป็นอย่างไรบ้างเหล่านี้ถ้าสนใจใกล้ครวนเพื่อต้อนเข้าสู่หลักความจริงตามธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ว่าเพศหรือวัยใดย่อมมีทางเชื่อและถือเอาประโยชน์ได้เพราะความจริงไม่ขึ้นอยู่กับเพศและวัยใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยไตรตรองหามูลความจริงซึ่งมีอยู่กับทุกคนพระธุดงค์กรรมฐาน ที่ท่านปฏิบัติจนเป็นที่จับใจถึงกับได้นํามาลงให้ท่านอ่านอยู่เวลานี้รู้สึกท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในผลที่ตนปรารถนาจึงไม่ได้คํานึงถึงการทุ่มเทความเพียรเพื่อผลนั้นๆว่าจะมีความหนักเบาหรือเป็นตายได้เสียอย่างไรบ้างมีแต่ความหมายมั่นปั้นมือจะให้ได้ให้ถึงถ่ายเดียวโดยไม่ได้คํานึงถึงความลําบากเป็นตายจะพึงมีเพราะความเพียรที่กําลังเป็นไปอยู่ ประกอบกับผลที่พึงหวังก็แสดงขึ้นในลำดับแห่งความเพียรซึ่งเป็นผลที่ไม่เคยได้เคยมีจึงทำให้ลืมอะไรที่กลัวๆกันไปเสียหมดสิ่งที่น่าคิดปิตสวงสาสำหรับผู้ไม่เคยประสบมีอยู่มากมายในวงพระธุดงกรรมฐานดังท่านจะได้อ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบปฏิปทานี้ขณะนี้ก็กำลังจะได้อ่านอีกเรื่องหนึ่งคือมีอาจารย์ท่านหนึ่ง ขณะเดินจงกรมไปมาอยู่หน้าธรรมบนภูเขาในเวลากลางคืนโดยไม่ได้สนใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลานั้นเพราะขณะเดินจงกรมก็มีไฟเทียนไขตั้งในคมผ้าสีขาวแหวนไว้สว่างไสวพอเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจนปกติไฟเป็นเครื่องหมายของมนุษย์ซึ่งสัตว์ป่าโดยมากทราบกันแต่พอท่านเดินจงกรมไปมาเพลินเพินก็ได้ยินเสียงเสือขู่คำรามขึ้นข้างทางจงกรม ซึ่งไม่สูงจากพื้นดินนักห่างกันประมาณสองว่าเสียงเสือที่ขู่คำรามนั้นหยุดเป็นพักๆพอท่านได้ยินก็จำได้ทันทีว่าเป็นเสียงเสือคำรามขณะนั้นจิตรู้สึกกลัวและหยุดมองดูเสือตามทิศทางที่มาของเสียงนั้นแต่ก็ไม่เห็นตัวมันจึงเดินจงกรมต่อไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงคำรามขึ้นมาอีกท่านก็หยุดเดินและมองดูมันแต่ไม่เห็นตัวมันอีกเช่นเคย ส่วนความกลัวรู้สึกเพิ่มขึ้นเป็นลําดับจนตัวสันและเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวทั้งที่กําลังเป็นหน้าหนาวและกําลังหนาวจัดอยู่ด้วยในเวลานั้นแต่แข็งใจไว้ไม่ยอมหนีจากที่นั้นเสือก็ขมรามไม่หยุดท่านจึงหาอุบายปลุกปลอบและขู่เค้นตัวเองว่าเรามาบําเพ็ญธรรมเหมือนครั้งพุทธกาลที่ท่านบําเพ็ญด้วยความกล้าหาญและยอมเสียสละทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่มีความอาลัยเสียดาย บางโน้นก็ทราบว่ามีสัตว์มีเสือซึ่งบางชนิดก็ทำอันตรายแก่พระท่านได้แต่ก็ไม่ปรากฏว่าสัตว์ร้ายเหล่านั้นกินท่านเป็นอาหารแม้มีบ้างตามประวัติก็น้อยเต็มทีเพียงรายสองรายเท่านั้นพระท่านยังได้บรรลุธรรมถึงความสิ้นกิเลสและสั่งสอนโลกจนเกิดความเชื่อเลื่อมใสนับถือท่านเป็นศรณะตลอดมาถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่าเสือเอาท่านไปเป็นอาหารเสียหมด ส่วนเราก็เป็นนักบวชในพุทธศาสนาอันเดียวกันกับท่านและบำเพ็ญตนเพื่อทำแท่งเดียวกันคือมรรคผลนิพพานแต่ทำไมพอได้ยินเสียงเสือมาเยี่ยมและถามข่าวคราวความทุกข์สุขดิบบ้างกลับยืนตัวแข็งและสั่นอยู่แบบคนสิ้นท่าและหึงหวงร่างกายชีวิตจิตใจรากับจะไม่ยอมตายไปกับโลกเขาแม้ถึงคราวแล้วทำไมจึงมาดืดึงฝ่าฝืนคติธรรมที่โลกเคยเป็นกันแต่ผู้เดียว ถึงกับยืนตัวสั่นหึงหวงชีวิตไม่อยากตายเอาท่าเดียวทำไมจึงมายืนตัวแข็งกวางทำของพระพทเจ้าอยู่อย่างนี้ไม่นึกอายเสือตัวกำลังเร้อด้วยเสียงกระหึมกระหึมอยู่เวลานี้บ้างถ้าไม่อายเสือก็ทำไมไม่คิดย้อนกลับมาอายตัวเองซึ่งเป็นพระธุดงกรรมฐานทั้งองค์ที่กำลังยืนตัวสั่นอยู่นี้บ้างแต่พอมีสติตื่นตัวว่าตนเป็นพระซึ่งเป็นเพศที่ยอมเสียสละทุกสิ่งแล้ว แต่กลับยืนตัวสั่นเห็นแก่ชีวิตยิ่งกว่าธรรมเป็นความหยาบคายยิ่งประสาตเสียอีกเสือเป็นสตัตว์เดรัจฉานแต่เราเองเป็นถึงมนุษย์และเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์ทำไมไปคิดกลัวเสือไม่เข้าเรื่องเของราขณะที่เรากําลังกลัวเสือและยืนตัวสั่นอยู่เหมือนลูกสุนัขตกน้ําเช่นนี้เพื่อครูอาจารย์ทรงกระแสจิตมาเห็นเข้าท่านก็จะหัวเราะเอาเช่นเสือหัวเราะ อ, อยู่เวลานี้ แล้วเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันนี่ทำขายหน้าจริงเลยนะและยังขายพระศาสนาขายครูอาจารย์ตลอดวงคณะปฏิบัติที่เป็นพระธุดงค์กรรมฐานด้วยกันอย่างไม่มีประมาณอีกด้วยเวลานี้เท่ากับเรามาขายตัวให้เสือและเทวดาทั้งหลายที่สถิตยอยู่แถบเขาลูกนี้หัวเราะเยาะไม่มีชิ่นดีเลยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะสามารถกอบกู้พระศาสนาและวงคณะกลับคืนมาได้ ไม่ถูกขายทอดตลาดแบบปลาเน่าที่เรากำลังเป็นพ่อค้าประกาศขายท่านเสียเองอยู่เวลานี้ขณะที่ท่านกำลังปลอบโยนและขูเข็นตัวเองอยู่อย่างวุ่นวายนั้นเส๋าก็แสดงอาการหวรัวเราะอยู่ด้วยเสียงกระหึมกระหึมและหยุดไปเป็นพักๆเรากับจะเตือนให้ท่านได้สติยับยั้งตัวเองด้วยอุบายแห่งธรรมที่กำลังคิดคนอยู่อย่างชลมุนและเอาจิงเอาจังในเวลานั้นยังไม่ยอมหนีไปไหนไง่าย ลำดับต่อมาท่านระลึกสติได้มีอุบายขึ้นมาในเวลานั้นว่าเสือก็ดีคนก็ดีเราก็ดีในธรรมท่านก็สอนไว้แล้วว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่มียกเว้นแม้เสือตัวกำลังคำรามเราและเราผู้กำลังกลัวเสือจนจะเป็นบ้าอยู่เวลานี้เมื่อต่างก็มีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเช่นนี้เราจะกลัวหาประโยชน์อะไรเรากลัวโคตงตาย ไม่กลัวก็ต้องตายเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีสัตว์ตัวใดหลีกพ้นไปได้เรามาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเจตนาคิดอิจช้าเบียดเบียนใครถ้าเสือตัวนี้ต้องการเลือดเนื้อของเราไปทำประโยชน์เพื่อประทังชีวิตของมันพอสืบต่ออายุไปเป็นวันวันเราควรยินดียกให้เป็นทานแก่มันไปยังจะดีกว่ามามัวยืนหวงสรางผีดิบอยู่จนตัวสั่นยังไม่ยอมยกให้มันเลยเป็นไหน นักบวชคือนักเสียสละมิใช่นักหึงหวงห่วงชีวิตจนหน้าอับอายขายตัวและพระศาสนาเราเกิดมาแต่เล็กจนถึงวันนี้เคยเอาเนื้อหนังมังสาของสัตว์ทั้งหลายที่ทท่านสอนไว้ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมาเป็นอาหารจนใหญ่โตมาขนาดนี้แทบหยิกควรไม่รู้จักเก็บเพราะเนื้อหนังของสัตว์ทั้งหลายหุ้มพ อ, อยูรอบตัวบทเวลาจะควรยอมสละเนื้อหนังของตัว เพื่อเป็นทานแก่เสือเพียงตัวเดียวทำไมจึงเหนียวแน่นแก่คนพู้ตรณีหึงหวงนักหละมิหนำยังหวงจนตัวสันชนิดแกะไม่ออกบอกไม่ยอมเชื่อฟังธรรมเสียอีกด้วยไม่เป็นการบวชมาเพื่อเห็นแก่ตัวเพราะกลักิเลสตัวอุบาทจนไม่มองเห็นใครใคในโลกไปแล้วหรือถ้าเชื่อกิเลสยิ่งกว่าธรรมจงยืนตัวสันเฝ้าร่างแห่งกองทุกข์อยู่ที่นี่ถ้าเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้า ลงสละเลือดเนื้อให้เสือเอาไปเป็นอาหารพอมีลมหายใจสืบชีวิตของมันต่อไปเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าว่าอย่างไรจะไปตามธรรมหรือจะโดดลงหลุมอุบาทแห่งความตรณีรีบตัดสินใจอย่าให้เสียเวลาของเสือที่กำลังรอฟังนักบวชอันเป็นเพศแห่งบุคคลผู้เสียสละจะประกาศความอาหารออกมาด้วยปัญญาที่ใครครวร ด, ดีแล้วว่าจะให้หรือจะหวง นับแต่สงครามอันเข้มข้นระหว่างเสือกับท่านกำลังเป็นไปอยู่ซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กันเป็นเวลาชั่วโมงเสษ็ศษท่านองค์นั้นจึงตัดสินใจลงได้ด้วยความเห็นภัยในความหึงหวงแห่งชีวิตกลับเป็นใจที่กล้าหาญและเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาสงสารเสือตัวนั้นเป็นกำลังโดยถือทําบทว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดสิ้นเป็นหลักใจ มองเห็นภาพเสือตัวกาลังเป็นศัตรกูกลายเป็นภาพแห่งมิตรย่างสนิทใจคิดอยากรูปคำอวัยวะของมันเล่นด้วยความรักสงสารและสนิทสนมในใจจริงๆจึงก้าวออกจากทางชงกรมถือเอาโคมไฟที่แกว้อยู่ข้างทางเดินตรงไปที่เสืออยู่ทันทีพร้อมด้วยจิตใจที่อ่อนโยนด้วยความเมตตาพอไปถึงที่ที่เข้าใจว่าเสืออยู่แต่ไม่ปรากฏว่ามีเสืออยู่ที่นั้นเลย จึงเดินตามหาเสือตัวนั้นทั่วทั้งป่าแถบบริเวณนั้นขณะที่เดินตามหาเสือด้วยความกล้าหาญและใจอ่อนโยนด้วยเมต่านั้นก็ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกเลยเสือก็ไม่ทราบว่าหายตัวไปที่ไหนอย่างลึกลับขณะที่เดินตามหาเสือไม่พบจนอ่อนใจนั้นมีอะไรผุดขึ้นภายในใจราวกับคนมาเตือนว่าจะตามหามันทําไมกันความรู้กับความหลงก็ตกอยู่กับเราคนเดียว มิได้อยู่กับสัตว์กับเสือตัวไหนนี่ความกลัตายถึงกับจะเป็นบ้าไปในขณะนั้นก็คือความหลงของตัวผู้เดียวความรู้ว่าทาท่านสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นถึงกับสละความหึงหวงเสียได้กลายเป็นคนมีเมตตาจิตอ่อนโยนต่อเพื่อนร่วมโลกก็เป็นความรู้ของตัวผู้เดียวทั้งสองประโยคนี้มิได้เป็นสมบัติของใคร แต่เป็นสมบัติของตนโดยเฉพาะแล้วจะเที่ยวหาอะไรอีกเมื่อรู้ก็ควรมีสติอยู่กับผู้รู้เพียงไปกับผู้รู้จัดว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วจะไปตามเอาอะไรกับสัตว์กับเสือให้กลายเป็นความเห็นผิดไปอีกเล่าพอความรู้ผุดขึ้นเตือนจบลงก็กลับได้สติขึ้นมาทันทีท่านว่าขณะที่กําลังเดินไปหาเสือนั้นเป็นความแน่ใจว่าเสือเป็นมิตรกับตนอย่างสนิท สามารถจะลูกคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันได้อย่างเต็มมือโดยไม่ได้นึกคิดว่ามันจะทำอะไรตนได้เลยแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรไม่ทราบได้จากนั้นก็กลับมาเดินจงกรมอย่างสบายหายห่วงไม่มีความหวาดกลัวเหลืออยู่เลยเสียงเสือที่ํารามและหยุดไปเป็นพักๆนั้นก็หายไปในทันทีไม่มาปรากฏอีกเลยทั้งในคืนวันนั้นและคืนต่อๆไปจนท่านหนีจากที่นั้นท่านว่า หน่าอัศจรรย์ที่จิตกลัวแทบตั้งตัวไม่อยู่แต่จวนจะเป็นบ้าในขณะนั้นอยู่แล้วแต่พอถูกขู่เข็นทรมานด้วยวายต่างๆกลับเป็นจิตที่กล้าหาญขึ้นมาสามารถสละเลือดเนื้อชีวิต จ, จิตใจพรีต่อเสือได้โดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวและอาลัยเสียดายเลยนับแต่วันนั้นมาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาถ้าจิตไม่ยอมสงบง่ายใจคิดอยากให้เสือมาหาและก็ระคุมให้ฟังบ่อย จะได้มีความตื่นตัวอย่างน้อยก็ได้รับความสงบมากกว่านั้นก็เป็นใจมีเมตตาอ่อนโยนและเป็นสุขไปกับสัตว์กับเสือเพราะขณะที่ใจพลิกไปกับเสียงสัตว์ต่างๆมีเสือเป็นต้นรู้สึกเป็นสุขอย่างละเอียดที่บอกไม่ถูกขออภัยลืมประโยคที่อะไรผุดขึ้นในใจท่านขณะที่เดินตามหาเสือยังเก็บไม่หมดจําต้องวกเวียนมาอีกท่านว่าอะไรผุดขึ้นมาว่า ความเมตตาที่แสดงเป็นความอ่อนโยนนั่นแหลเป็นความสนิทสนมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นศัตรูและทั่วๆไปตลอดมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั่วไตรโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นศัตรูในเวลานั้นใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นใจที่เต็มไปด้วยเมตตาในสัตว์ไม่มีประมาณอย่างนั้นแหลผู้มีเมตตาหลับและตื่นย่อมเป็นสุขสิ่งที่ผุดขึ้นในเวลานั้น เหมือนเป็นโอวา ส, สั่งสอนเราคนเดียวปรากฏแววๆขึ้นมาในจิตฟังได้คนเดียวรู้ได้คนเดียวชัดถ้อยชัดคำและพุดขึ้นมากมายแต่จําไม่ได้ทุกประโยคยังรู้สึกเสียดายอยู่ไม่หายดังนี้การอยู่ป่าอยู่เขาซึ่งเป็นที่เปลีปล่ยวสําหรับผู้มุ่งต่อทำอย่างยิ่งจอมเกิดประโยชน์ผิดธรรมดาอยู่มากดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าตอนจิตผ่อนโยนกับสัตว์เสือต่างๆไม่มีประมาณคิดอยากไปลูก คลามหลังและอาอยวะต่างๆของมันเล่นด้วยความสงสารนั้นผู้เขียนเชื่ออย่างเต็มใจเพราะเคยได้ประสบมา ก, กับตัวเองขณะที่เกิดความครวมากๆจนแทกตั้งตัวไม่อยู่ได้พยายามใช้อุบายวิธีฝึกทรมานตนเช่นอยู่กับท่านจนกิจหายผยศปรากฏเป็นความอาถรรพและอ่อนโยนด้วยเมตตาขึ้นมาสามารถเดินเข้าหาศัตรูทุกชนิดได้โดยไม่มีความวันเกรงใดๆเลยพอได้ยินท่านเล่าให้ฟัง ใจจึงรู้สึกซึ้งในความเป็นของท่านทันทีว่ายังมีผู้ทําแบบป่าเถื่อ น, นเช่นเราอยู่เหมือนกันนึกว่าเป็นอะไรไปเฉพาะเราคนเดียวเพราะเป็นเรื่องที่พูดได้ยากเนื่องจากเป็นเรื่องนอกบัญชีแห่งความนึกคิดของคนทั่วไปที่จะคิดกันทุตองสิแต่ละข้อมีความหมายในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทได้อย่างอัศจรรย์ยากที่จะคาดให้ทั่วถึงได้ แต่ได้อธิบายไว้ในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นพอสมควรแล้วในปฏิปทานี้จึงคิดว่าจะไม่ขออธิบายมากมายนักทั้งที่พระธุดงค์บรรดาที่เป็นสิทธิ์ท่านต่างดำเนินตามปฏิปทาสายของท่านเป็นประจำตลอดมาธุดงค์าข้อที่ได้อธิบายไว้ในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นปรากฏว่ามีดังนี้ถ้าจำไม่ลืมข้ อ, อยูรุกขมูลร่วมไม้บินทบดเป็นวัด ชันในบาทชันหนเดียวในวันหนึ่งหนึ่งคือผ้าบางสกุลข้อไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังที่อาจอธิบายซ้าอีกบ้างก็เป็นเพียงเพิ่มเติมเล็กน้อยพอเขียนทุดงนี้จบลงไปปรึกษามหมู่เพื่อนว่าจะไม่เขียนซ้าอีกเกรงว่าจะซ้ากลับที่เขียนไว้แล้วในประวัติท่านอาจารย์มัน่นแต่โดยมากมีความเห็นว่าอยากให้อธิบายทุดงข้อที่เคยเขียนในประวัติท่านอาจารย์แล้วซ้าอีก ทางนี้ไม่แน่ใจว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายอาจจะไม่ได้รับหนังสือประวัติท่านอาจารย์มั่นโดยทั่วถึงก็เป็นได้จะไม่มีโอกาสทราบว่าธุดงควรมีความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างเลยจำต้องอธิบายไว้ในที่นี้ซ้ำอีกเล็กน้อยขอความกรุณาท่านที่เคยได้อ่านธุดงในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นมาแล้วอย่าได้ราคาญเพราะสํานวนซ้ำซากโปรดคิดเสว่า เพื่ออนุเคราะห์ท่านที่ยังไม่เคยทราบเรื่องธุดงควร13ข้อจะพอมีทางทราบจากที่นี่บ้างธุดงข้ออยู่รุกขมูลคือร่มไม้นี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาก่อนธุดงทั้งหลายวันตรัสโลธรรมแดนโลกธาตุวันไว้ทั่วไตรภพก็ตรัสรลดใต้ร่มโพคือร่มพระสีมหาโพธิ์ที่พุทธบริษัทถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นคู่เคียงพระศาสนาและพระศาสดามาจนทุกวันนี้ เวลาปรินิพานก็ทรงนิพานใต้ร่มไม้คือนางรังทั้งคู่ที่เรียกว่ารุกขมูลแห่งทุดงข้อนี้การอยู่ในกุดีที่มุงที่บังมิชิตปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกับการอยู่ใต้ร่มไม้มีความแตกต่างกันมากข้อนี้จะทราบได้ชัดจากผู้ที่เคยอยู่ทั้งที่มุงที่บังคือกุดีวิหารทั้งเคยอยู่รุกขมูลคือร่มไม้เปรี่ยวมาแล้ว ใจจะรู้สึกและว้าเวต่างกันมากยิ่งกุฎีในป่าเปลี่ยวและร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เจมไปดรศยสัตว์เสือด้วยแล้วจะเห็นได้ชัดว่าระหว่างกุฎีกับร่มไม้มีความแปลกต่างกันอยู่มากผู้ที่อยู่กุฎีในป่าเปลี่ยวจะสนุกนั่งสนุกนอนมากกว่าจะสนุกภาวนาเสียซ้ำอย่างสบายหายระแวงต่างๆส่วนผู้ที่อยู่ใต้ร่มไม้ในป่าเปลี่ยวปราถนาเครื่องอารักขา หาที่จะพอหลบซ่อนนั่งนอนให้สบายมิได้จำต้องระวังภัยอยู่ทุกอิริยาบถสติกับกจิตไม่มีเวลาจากกันเพราะกลัวจะเสียท่าเวลามีอันตรายซึ่งอาจเกิดได้ทุกอิริยาบถความสุขทุกข์ของการอยู่ในที่ต่างกันนั้นรู้สึกต่างกันมากผู้อยู่ใต้ร่มไม้จะเป็นทุกข์มากแทบทุกด้านแต่ทางสมาธิภาวนาสาหรับผู้มุ่งต่อธรรมแล้วผู้อยู่รกขมูลร่มไม้มีทางเจริญมากกว่า เพราะอยู่ในท่าแห่งความเพียรทุกอิรยาบทนอกจากเวลาหลับเท่านั้นความระวังรักษาสติไม่ให้พลากจากใจเนื่องจากความกลัวภัยเป็นเหตุนั้นเป็นประโยคแห่งความเพียรที่จะยังจิตให้เจริญทางสมาธิปัญญาได้ไม่มีทางสงสัยดังนั้นการอยู่รุกขโมนในป่าเปลวของนักลบผู้กล้าตายจึงเป็นเหมือนเข้าสู่แนวลบในอิรยาบทแม้จิตที่ไม่เคยสงบ ไม่เคยรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรหรือมรรผลนิพพานเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อตั้งสติเข้าใกล้ชิดติดแนบกับใจพยายามรักษาไม่ให้พลั้งเผลอจะบริกรมรมภาวนาด้วยธรรมบทต่างๆก็เป็นภาวนาขึ้นมาได้โดยถูกต้องด้วยสติจะพิจารณาสภาวธรรมเพื่อความเห็นแจ้งทางปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้ด้วยสติเครื่องควบคุมสติจึงเป็นธรรมจาเป็น และสาคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิจการต่างๆทั้งภายนอกภายในผู้อยู่ในที่เปลี่ยวมีรุกขมูลเป็นต้นเป็นที่บำเพ็ญจึงมีโอกาสส่งเสริมความเพียรได้ดีกว่าที่ที่เห็นว่าปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายมีกุฏิเป็นต้นคุณสมบัติแห่งการอยู่รุกขมูลร่วมไม้ทําให้ไม่นอนใจมีสติอยู่กับตัวอันเป็นทางเจริญแห่งสมาธิสมาบัติมากผลนิพพานโดยลาดับไม่ชักช้า หรือโมวสงสัยอยู่เพราะความประมาทนอนใจผู้ที่เคยอยู่ลุกขมูลในป่าเปลี่ยวมาจนเคยชินแล้วย่อมเป็นเหมือนผู้จัดเจนในสงครามไม่สะทกสะทานต่อข่าสึกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ผิดกับผู้ไม่เคยฝึกหัดอยู่มากท่านอาจารย์มั่นท่านท่านสันเสริญการอยู่ลุกขมูลอย่างถึงใจและติดปากติดใจท่านตลอดมาจนอวสานแห่งชีวิตและเคยพูดเป็นเชิงเตือนสติ พระลูกศิษย์ทั้งหลายให้สันนึกตัวเกิดความสนใจในการอยู่รุกขมูลว่าพระเราถ้าอยากทราบเรื่องยาปละเอียดของตัวและเชื่อความสามารถของตนว่าเป็นพระปฏิบัติเต็มภูมิหรือไม่เพียงไรจงพากันไปอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เต็มไปด้วยสัตว์เสือเป็นสิ่งเตือนใจและทดลองความสามารถอาถารหรือความขี้คลาดไม่เป็นท่าของตัว จนรู้ความลึกตื่นแห่งความหมายของการอยู่รุกขมูลที่ส่งบัญญัติไว้พอทราบความกลัวตามนิสัยดั้งเดิมและความกล้าที่เกิดจากความเพียรที่ตนชำระได้ศีล ส, สมาธิปัญญาตลอดทําเบื้องสูงขึ้นไปเป็นขั้นๆยอมเจริญขึ้นตามๆกันและรู้ประจักษ์ใจตัวเองเป็นระยะไปนั่นแลวจะเห็นคุณของทุดวงข้อนี้อย่างถึงใจพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน ทรงถือและถือทุดงข้อนี้เป็นคู่กับชีวิตความเพียรไปตลอดสายไม่ทรงละเลยเพราะเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ตื่นตัวตื่นใจไม่ประมาทนิ่งนอนความเพียรด้านจิตใจท่านจึงเจริญและเจริญจนสุดขีดสุดแดนไม่มีอะไรเทียบเท่าเสมอได้ในโลกทั้งสจึงทรงบัญญัติไว้เพื่อเป็นกลุยหมายป้ายบอกราวกับท่านตรัสว่านี่นะทางเดินเพื่อพ้นภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลเธอทั้งหลาย มัวงุ่มง่ามตมเตรียมอยู่ทําอะไรกันสถานที่นี้มิใช่สถานที่งุ่มง่ามสามสติปัญญาแต่เป็นสถานที่ฟื้นฟูสติปัญญาความเพียรทุกด้านให้แก่กล้าแหลมคมมาเราตาขาคตรจะพาไปไม่ชักช้ายามัวพรุงพลังแบบพร ะ, ระหนักโดยสําคัญว่าตนมีกําลังสามารถอยู่เลยเวลาขับขันจะไม่มีอะไรติดตัว รีบแสวงหาชัยสมรภูมิที่บำเพ็ญเหมาะมีรุกขมูลเป็นต้นจิตจะได้บรรลุธรรมที่เหมาะกับใจไรกิเลสกองทุกทั้งหลายเสียได้สถานที่เช่นนี้และตถาคตปราบปรามกิเลสทั้งมวลให้หม่อปราบเสียได้โน้นต้นพระสีมหาโพธิ์อย่างไรล่ะที่เป็นเครื่องหมายมหาชัยของตถาคตถ้าไม่เรียกว่ารุกขมูลควรจะเรียกว่าอะไรสิทธะราชกุมารอุบัตาตรัสเป็นพระพุทธเจ้า ที่โคนต้นพระสีมหาโพนั่นแหละพวกเธอยังจะสงสัยและจะไปสแสวงหาธรรมที่ไหนกันอีกทําไมหาดังที่ตถาคตพาหาพารู้นี้สถานที่ชนิดแลคือที่อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้เห็นภผ่จะพากันหลงงมงายไปหาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกันความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งเหนือสิ่งใดๆจงพากันค้นหาให้เจอและค้นลงที่ใจนี้ โดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นสนามขุดคนดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงที่ไหนรู้สึกถึงใจดังที่เขียนผ่านมานี้เพราะเป็นโอาวาทที่ออกจากความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงๆไม่มีที่น่าสงสัยว่าข้อปฏิบัติมากผลนิพพานจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอไประจากข้อปฏิบัติของผู้บำเพ็ญด้วยสามีจิกรรมเลยยิ่งฟังต่อหน้าท่านแสดงไว้แล้ว รากับท่านถอดมรรคผลนิพพานออกมาจากใจให้คณะสิทธิ์ผู้ตาบอดลูกคลำกันพอให้เสียดายแล้วท่านก็เก็บไว้ที่เดิมเสียคือขณะท่านแสดงก็เหมือนท่านหยิบยกออกมาให้ดูพอจบการแสดงก็เหมือนท่านเก็บไว้ที่เดิมคือที่ใจท่านเสียขณะฟังเหมือนจะพากันเหาะเหินเดินไม่ไปทางอากาศพอฟังจบแล้วเหมือนคนตาบอดต่างลูบครลำแต่หาทางไปไม่ได้ อันนั้นก็สงสัยอันนี้ก็สงสัยอันนั้นก็เข้าใจว่าดีอันนี้ก็เข้าใจว่าเลิศแล้วกว่าเอาทั้งเปลือกทั้งกระพีทั้งรากแก้วรากฝอยซึ่งทําประโยชน์อะไรไม่ได้นั่นแลพอปรงอณิจังทุกขังอนาตาเราดีๆนี่เองการอยู่รุคโมูลนี้ท่านอาจารย์ท่านว่าท่านเคยได้รับประโยชน์ประทับใจเรื่อยมาจึงชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่จืดจางการอยู่ปราศจากที่มุงที่บงัง อันเป็นเครื่องป้องกันอันตรายจิตใจต้องหวาดระแวงแน่นอนยิ่งตกกลางคืนถ้าเป็นคนที่ขลาดมองเห็นอะไรต้องเมาว่าเป็นเสือไปหมดบางรายที่มีนิสัยขี้กลัวตอนกลางวันต้องสังเกตพุ่มไม้ข้างบริเวณที่อยู่ไว้อย่างรอบคอบเพื่อสังเกตง่ายในเวลากลางคืนไม่เช่นนั้นพุ่มไม้ที่อยู่รอบๆ บ, บริเวณที่พักนั้นก็จะกลายเป็นเสือขึ้นในมโนภาพความสําคัญแต่หลอกหลอนตลอดคืน ไม่เป็นอันอยู่หลับนอนและภาวนาได้ผู้ที่อยู่รุขมูลมีความประมัดระวังผิดกับพูดอยู่ในที่มุงที่บางอยู่มากทางด้านอิริยาบถเกี่ยวกับความเป็นอยู่หลับนอนและด้านสมาธิภาวนาฉะนั้นจิตจึงมักก้าวไปเร็วกว่ากันทั้งนี้ไม่ได้มีใครบังคับท่านให้จำต้องทำแต่เป็นความสมัครใจของแต่ละท่านจะหาอุบายฝึกทรมานตนเป็นเรไๆไปบางครั้ง ขณะท่านนั่งทําสมาธิภาวนาอยู่ในมุ้งใต้ร่มไม้ที่เรียกว่ารุกขมูลเสือยังแอบด้อมเข้ามาดูท่านอย่างเงี ย, ยบๆจนถึงที่อยู่ก็ยังมีพอทราบว่าเป็นคนแล้วก็รีบถอยห่างออกไปไม่มาเกี่ยวข้องอีกเลยที่มันแอบเข้ามาดูนั้นเข้าใจว่ามันคงสงสัยเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เสือบางตัวรู้สึกจะมีเจตนาซ่อนเร้นพิกลที่ไม่น่าไว้ใจแฝงอยู่ด้วย จะทราบได้ขณะที่พระท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ที่ ม, มืดๆไม่จุดไฟมันยังแอบด้อมเข้ามาจนถึงที่สุดทางเดินจงกรมห่างกันประมาณวาเสทเท่านั้นและหมอพราบดูอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนจนพระท่านได้ยินเสียงนินนดๆผิดสังเกตธรรมดาฉายไฟไปดูก็เห็นมันโดดออกไปจากที่นั้นทันทีแต่วันหลังไม่เห็นมันกลับมาอีกที่กล่าวนี้หมายถึง เสือโครงใหญ่ลายพาดกรอนตัวขนาดเท่าม้าแข็งเราดีๆนี่เองมิใช่เสือดาวซึ่งเป็นสัตว์ชอบแอรหากินสุนัข ก, กับคนที่ไปเที่ยวป่าตามนิสัยของสัตว์ชนิดนั้นที่เคยหากินกับคนการอยู่รุกขมูลของพระธุดงค์ผู้เป็นเจ้าของเรื่องต่างๆที่นาหวาดกลัวซึ่งนํามาลงเพียงเล็กน้อยนี้ทนึกวาดภาพเปลี่ยนให้ท่านที่อยู่รุกขมูลและเรื่องที่ท่านประสบมากลายมาเป็นเรื่องของเราเข้าบาง ท่านผู้อ่านจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าทนได้และทรมานได้จนกลายเป็นเจ้าของประวัติอันดีงามได้ก็นับว่าดีเป็นคติแก่อนุณชนได้ยึดเป็นหลักใจต่อไปเผื่อทนไม่ได้ทรมานไม่ลงปลงไม่ตกนาครัวจะเป็นประวัติที่ขายหน้าตัวเองและหมู่คณะตลอดพระศาสนาอันเป็นหัวใจของชาวพุทธให้มัวหมองชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างให้หายได้ตลอดกาลนาน และกลายเป็นบุคคลที่มีปมด้อยวงกรรมฐานที่มีปมด้อยและพระศาสนาที่มีปมด้อยตลอดไปเพราะอาศัยเราคนไม่เป็นท่าเพียงคนเดียวพาให้สิ่งที่มีคุณค่าไม่มีประมาณทั้งหลายเสียไปด้วยเพียงนึกวาดภาพทดลองดูขณะเดียวก็พอทำให้ทราบได้ว่าท่านที่อุตสาพยายามตะเกียกตะกายด้วยวิธีนั้นแต่ขั้นเริ่มแรกชีวิตแห่งธุดงกรรมฐานจนสามารถ ตั้งรากฐานมั่นคงในธรรมทั้งหลายได้เพราะความเดนตายนั้นจะเป็นความลำบากกายทรมานใจามากเพียงไรซึ่งยากจะมีผู้กล้าเสียสละอย่างท่านได้ในวงมนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวกลัวทุกขมากกว่าทําเครื่องน้าออกการอยู่ปราศจากที่มุงที่บังโดยประการทั้งปวงนั้นย่อมเป็นเครื่องสอให้เห็นแล้วว่าเป็นนักเสียสละทุกอย่างไม่อาลัยเสียดาย จะตายไปเพราะเหตุใดก็ยอมให้เป็นไปตามคติธรรมดาไม่คัดค้านต้านทานด้วยวิธีเห็นแก่ตัวเจ้าอดอยาขาดแคลนปัจจัยสีที่โลกอาศัยและถือกันเป็นสําคัญก็ยอมอดโดยธรรมไม่แสดงความอึดอัดขัดใจอันเป็นทางส่งเสริมทุกข์ให้มากมูลจะเป็นทุกข์ทรมานเพราะความเพียรกล้า ก, ก็ยอมทนเพราะอยากพนทุกข์ด้วยความเพียรนั้นๆแม้สัตว์เสือตัวหิวโหวยอาหารจะมากัดและคาบเอาไปกิน ก็อยอมสละให้มันด้วยความเป็นนักบวชและนักเสียสระอย่างพร้อมมูลอยู่แล้วภายในใจไม่มีอะไรขัดข้องหึงหวงการเสียสละทุกอย่างเพื่อทําดวงเลิศเป็นความอยู่สบายในที่ทุกสถานแม้ชีวิตของผู้อยู่รุกขมูลร่มไม้ด้วยความเสียสละจะไม่มีความหมายสำหรับคนทั่วไปแต่ใจกลับมีความหมายในธรรมอันมีค่ามากฉะนั้นแทนที่ชีวิตร่างกายท่านจะหมดความหมายไป ตามความเสศสารของโลกทั่วไปแต่กลับเป็นสิ่งที่มีค่ามากยากจะมีผู้สละได้พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสัมพันธ์แห่งคุณค่าในทุดดวงข้อนี้ว่าเป็นธรรมเครื่องปราปรามกิเลสภายในใจสัตว์โลกได้เป็นอย่างดีจึงทรงบัญญัติเป็นแนวทางไว้โลกจะได้ดำเนินตามและเผื่อท่านผู้มีใจเป็นนักรบเพื่อการอยู่จบพรหมจรรย์ประสงค์ทำข้อนี้เป็นยานพาหนะขับขี่ข้ามโลกสงสาร จะได้ยึดเป็นหลักชัยในการออกสงครามตามเสด็จให้ทันพระองค์โดยไม่ชักช้าเนิ่นนานเพราะทำข้อนี้เป็นเครื่องปลุกใจให้ผู้ปฏิบัติเกิดความอาภารพ์ต่อแดนพลนทุกข์ไม่มีทางสงสัยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆเป็นเครื่องเตือนใจให้ประคองความเพียรด้วยความสม่ำเสมอจนถึงจุดที่มุ่งหมายได้โดยไม่มีอุปสรรคดังที่อธิบายมาพอเป็นแนวทางเล็กน้อย แก่ท่านผู้สนใจจะได้นำไปเทียบเคียงระหว่างท่านกับเราซึ่งหวังความเจริญด้วยกันจะควรปฏิบัติอย่างไรบ้างพอมีทางเล็ดลอดปลอดภัยที่ควรเป็นได้ไม่นั่งนอนคอยรับทุกน้อยใหญ่จากการกระทามของจิตผู้เป็นตัวการซึ่งมีนิสัยชอบในสิ่งที่เลยขอบเขตประจําตนรมข้อนี้แม้จะเรียกว่าเป็นหัวใจกรรมฐานข้อหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดเพราะพระสุตดกรรมฐานผู้มุงต่ออัดต่อทจริงๆ ท่านชอบปฏิบัติทำข้อนี้แทบทั้งนั้นผู้เขียนเองแม้จะไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลยแต่หัวใจมีก็อดจะชอบทำข้อนี้ไม่ได้นอกจากจะเอื้อมไม่ถึงเท่านั้นจึงยอมสารภาพตอนอย่างไม่อายทุดงข้อบินทบาทเป็นวัดการบินทบาทเป็นกิจจำเป็นของพระผู้บว์เป็นสักยะบุตรพุทธชินรตปรากฏในพระพุทธศาสนาโดยทางเพศอย่างเปิดเผย